50 languages. หบวที่สระว่ายน้ำยีจละลวันนี้อากาศร้อนอีวัตุตุมบาเซเคอเดเราไปสระว่ายน้ากันไหม น้าวูอีจูโคดัเกะฮโกอนเวคุณอยากไปว่ายน้าไหมนีน่าเกะอีจัลูฮโงกูดักเกอิชตเวคุณมีผ้าเช็ดตัวไหมนีนน่าบลีทาวเวลอิดเอเยคุณมีกางเกงว่ายน้าไหมนีนนาบลีอีจูชัดดีอิดเเย คุณมีชุดว่ายน้ำไหมนินนาบาลีสนาหน a าเดอสูตูอเดยคุณว่ายน้ำได้ไหมนีนาเกยีจลูบรุตเเดยคุณดำน้ำเป็นไหมนีนาเกดมุกะลูอาบุตเตเดยคุณกระโดดในน้ำเป็นไหม นีนกยนีรินอลกยหารลูอาบุตร த ตดอาบน้ำได้ที่ไหนอิลลิสนาณาตโคเนยลลิดเอห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนอิลลีบัตเตบัดลาอีสวาโคเนยลลิดเอแวันตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหนอิลลียีจุคันนยลลิด น้ำลึกไหมนี่รู้อาละวาดีเดน้ำสะอาดไหมนี่รู้สวัสดิ์วาดีเน้ำอุ่นไหมนี่รู้เบิดชะกีเดียิฉันหนาวมากนานู้ฉลีอินดเซ็ตตุคลลุตติดเดน